อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งนะมันก็ดีนะบางทีอยู่ในที่ที่ไม่มีไฟนะอยู่กับแสงเทียนอยู่กับแสงดาวนะหรือแสงจันทร์มันก็เป็นแสงที่เหมือนมันสงบเนาะมันไม่ฉุดฉาดมันไม่แสบตา พอเราอยู่กับธรรมชาติเนะี่ยมันก็จะค่อยๆกล่ อ, อมเราจิตใจของเรานะให้มันให้มันสงบนะพอสมควรนะแต่แต่จะว่าจะเอามันเขาช่วยตลอดให้จิตใจสงบปราจากกิเลสเลยก็เป็นไปไม่ได้นะเราก็จะไปคิดอย่างนั้นนะธรรมชาติก็อาจจะให้นะความสงบระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ใช่ว่า เนะจะมาอยู่กับธรรมชาติแล้วมันจะดีเองนะมันก็ไม่ใช่นะอย่างที่เราสวดอนะ่ะเราจะขอให้ภูเขาป่าไม้เนะี่ยหรือว่าอะไรต่างๆนะมาเป็นที่พึ่งนะให้กับเราอย่างแท้จริงนะมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้นะมันก็อาจจะได้พึ่งทางกายบ้างนะแต่ถามว่าจะเอามาเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเนะ่เพื่อความพ้นทุกข์เลยนะ ก็เป็นไปไม่ไดนะ้แต่มันก็ช่วยให้เรานะมีความสงบนะระดับหนึ่งนะแต่ที่พึ่งที่แท้จริงนี่แหละเราก็ต้องมีในตัวเราเนาะคนะือเอาศรัทธาศนระัทธาที่มีต่อพระตนไตเนะี่ยให้เป็นที่พึ่งนะอย่างน้อย ชีวิตเราถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้านะที่ท่านก็อุตส่าห์นะอุตส่าห์แสวงหาทางพ้นออกจากความทุกข์นะเป็นบุคคลแรกนะแล้วก็ยังอุตส่ามีพระมหากรุณาธิคุณเนาะที่อุตส่าห์เผยแผ่ธรรมะนะให้กับสัตว์ทั้งหลายเ น, นี่ยก็เป็น ถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้านะเราก็จะรู้สึกว่าเรามีเรามีพ่อเนาะหรือว่าเรามีศาสดาที่ที่มีปัญญาแล้วก็บริสุดธนะ์เนาะที่ที่นำทางชีวิตเราหรือคิดถึงธรรมะเนะพระสูตรใดหรือว่าหมวดใดเนะธรรมะอันไหนก็ได้นะ เอาเป็นเครื่องระลึกนะในใจของเราอยู่เสมอเนะี่ยมันก็จะช่วยเตือนเรานะให้เราไม่ประมาทในชีวิตนะจะบทใดทก็ได้นะักสมัยก่อนเวลามีพระสงฆ์หรือว่าพิษุณีหรือว่าจะเป็นสามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาก็ดนะีเวลามาพบพระพุทธเจ้านะพระเจ้าก็อาจจะเลือกธรรมะที่เหมาะเนะี่ย ในแต่ละบทนะให้ให้กับแต่ะลนะคนให้เขาเอาไปปฏิบัติเนมะื่อเขาปฏิบัติถึงระดับหนึ่งเขาก็สามารถเข้าใจธรรมะไดนะ้อย่างในในสมัยพุทธกาลก็มนะีมีพระรูปหนึ่งท่านก็บวชนะมานานพอสมควรนะแต่ก็เหมือนนะเหมือนเป็นคนที่เหมือนเรียนรู้ช้านะโงนะ่ขนาด พระพี่ชายที่เป็นพระอาหารหันต์นะอุตสาห์สอนอุตสาต ห, าอหาบอกอะไรก็ก็จําไม่ได้นะให้ท่องสโลกแค่สี่บทนะก็ท่องไม่ได้นะต้องกระดายเดือนละก็ท่องไม่ได้นะก็คิดว่าคงเรียนรู้ธรรมะไม่ได้หรอกนะพระพี่ชายก็บอกว่าอศึกไปดีกว่านะ่ะบวชมาก็คงเปลืองเข้าสุกนะแค่ท่องคาถาสี่บทก็ยังท่องไม่ได้นะ แต่พอพระพุทธเจ้าท่านรู้นะท่านรู้ว่าบุคคลนี้เนา ะ, นะกระดังเศร้าใจเพราะว่าไม่มีใครที่จะสอนเขาได้นะหรือว่าไม่มีใครเข้าใจเขาว่าที่จริงมันก็เป็นข้อจำกัดของเขานะพระพุทธองค์ก็ให้ผ้าผืนหนึ่งแล้วก็ให้บริกรรมนะ ประมาณง่ายๆนระัโชหารัทางรัชังหารติคนะือให้พิจารณาเหมือนใครๆว่าผ้าคือ น, นี้นะแต่ก่อนเป็นของขาวนะเมื่อถูกต้องกับร่างกายเราก็เป็นของสกรปรกไปก็นะแค่แนีนะ้ให้จำคาถาสั้นๆนะพระจุลนตนรกก็ก็รูปผ้านะนะ รูปผ้าไปท่องคถาไปรูปผ้าไปท่องคถาไปขณนะนนที่ท่องใจก็เป็นสมาธิเนาะนนที่ท่องใจก็แน่วแนนะ่ไม่คิดถึงเรื่องอื่นนะหรือคิดก็กลับมาอยู่กับคถาใหม่ท่องไปรูปนะผ้าไปพอถึงนะช่วงตะวันรุ่งนะเห็นผ้านะที่แต่ก่อนตอนรับมา จากพระพุทธองค์นะเป็นผ้าขาวเป็น ผ, ผ้าสะอาดเนะมื่อถูกกับร่างกายนี้นะก็กลายเป็นของสกรปรกไปก็เห็นจริงตามนั้นนะเห็นจริงตามนั้นว่าผ้านะมันก็แต่ก่อนมันใสสะอาดบริสุทธิ์แต่พอถูกกับร่างกายมันก็เลยกลายเป็นของสกรปรกจิตใจนะ ท่านก็ไม่ใช่เห็นเพียงแค่ผ้านะแต่จริงตัวที่ทําให้ท่านเข้าใจธรรมะคือท่านเห็นใจเนะใจเดิมแท้นะของเราทุกคนมันบริสุทธิ์อยู่แล้วนะเนี่ยเพียงแต่ว่ากิเลสนะอุปกิเลสเข้ามาครอบงําชั่วคราวก็เลยกลายเป็นของสกปรปกไปเนยะไม่ว่าจะกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็ดีเนะี่ยมันมาครอบงําใจ ใจก็เลยกลายเป็นใจที่ทุกข์ใจที่โสโคร ก, กนะแต่ท่านเห็นเนี่ยแยกได้ว่าความบริสุทธิ์ความสะอาดความหมดจดเนี่ยมันมีมาก่อนแล้วเนยะเพียงแต่ว่ากิเลสมันมาครอบงาจำเฉยเนะมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็อืมก็วางได้นะรู้รู้เลยว่าความสโปรกมันมาที่หลังเนะี่ยใจที่บริสุทธิ์ใจที่สะอาดมันเป็นใจเดิมแท้ ท่าสามารถทวนเข้ามาเนยทวนเข้ามาถึงเนี่ยสภาวะที่เป็นปกตินสภาวะเที่ไม่ไม่มีการปรุงแต่งเนี่ผ่านจเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้เรียกว่าวิสังขาร น, นะวิสังขารคือสภาวะที่ที่หยุดการปรุงแต่งเราสังเกตไหมเวลาเรื่องราวที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจี่ยเวนใหญ่ก็คือ ทั้งหมดเลยก็คือการปรุงแต่งนี่แหละปรุงแต่งเป็นความวิตกกลองบน่ปรุงแต่งเป็นความกลัวปรุงแต่งเป็นความออยากปรุงแต่งเป็นความโกรธ น, นนี่แหละตัวสังขารนี่แหละคือตัวที่ทําให้เกิดทุกข์เนาะสังขารคือการปรุงแต่งนี่ปรุงแต่งโดยที่ เราไม่ทันได้รู้ตัวนี่แหละมันทำให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าเป็นการปรุงแต่งแบบรู้ตัวน่ตั้งใจปรุงแต่งเช่นตั้งใจคิดตั้งใจเขียนตั้งใจพูดไอ้แบบนั้นมันเป็นสภาวะที่มันมีมันมีความตั้งใจเนาะมีสติมีสมาธิกํากับอยู่ไอ้แบบนั้นมันไม่ทุกข์นะ มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเอามาใช้กับการงานแต่สภ า, าวะการปรุงแต่งโดยที่ไม่รู้ตัวนี่แหละนะที่มันทําให้เกิดเป็นความทุกข์เพราะว่าอะไรปรุงแต่งแล้วอกุศลก็เลยมาครอบงเนะที่จริงอคุอคุสนเขาครอบงำก่อนพอเราไม่รู้ทันเราก็เลยไปปรุงตามอากุศนในนั้นเนะเช่นความวิตกกังวลมาครอบงาจิตเนะี่ย มันก็ไดยปรุงแต่งไปในทางไปในทางความกลัวไปในทางความไม่สบายใจถ้าโทสะมาครอบงำจิตมันก็ปรุงแต่งไปในทางไปทางความกโกรธความเบียดเบียนหรือว่าความร้อนขึ้นในใจขึ้นในกายแต่ถ้าเรารู้ทันสภาวะการปรุงแต่งเนี่ยนะมันก็ เพลินการปรุงแต่งออกไปเนะี่ยจะเรียกง่ายๆก็คือให้รู้ทันความคิดเนี่ยนะรู้ทันความคิดรู้ทันจิตใจนะเมื่อความคิดมันเกิดขึ้นมาคอยมีสติคอยรู้ทันเนะี่ยถ้าเรารู้ทันความคิดแล้วความคิดก็ปรุงต่อไม่ได้เนอะสังขารนนะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกคือในช่างปลุกเรือนนะ พอเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าก็ทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปละคล้ายๆเหมือนกับเราเห็นจอมปลวกเราเห็นปลวกนะมันไต่ขึ้นเสาเสาไม้มันไต่ขึ้นมาเราเห็นแล้วว่าปลวกมันขึ้นเรือนเรานะเราก็กำจัดทางปลวกที่มันกาลังเดินขึ้นนะมันก็ขึ้นไม่ได้อีกนะเราก็กำจัดไปบ่อยๆกาจัดไปบ่อย แต่ถ้าเราไม่กำจัดมันก็จะขึ้นนะกินไม้หรือว่าก่อนะนะไปทำรังนะใหญ่โตเนี่ยสังขารก็เหมือนกันนะนะเราคอยมีหน้าที่รู้ทันนะถ้าเรารู้ทันแล้วเขาก็ทำเดือนไม่ได้นะเขาก็มาสร้างที่อยู่อาศัยในจิตในใจนี้ไม่ได้นะเนี่ยสติหน้าที่สำคัญมากนะคือคอยรู้ทันนะ รู้ทันจิตใจรู้ทันความคิดนะเมื่อใ่ที่เราเห็นจิตใจเห็นความคิดนะเมื่อนั้นแนะ่ะมันก็คือเรียกว่าเหมือนเราได้ทางนะได้ทางเห็นการภาวนานะได้ทางเห็นการเออนี่แหละพอทันความคิดทันอารมณ์แล้วอารมณ์มันก็ไปไปต่อไม่เป็นนะอารมณ์มันก็หมดท่าแต่ก็แต่ก่อนที่จะรู้ทันอารมณ์ได้ตรงตรงนะบางคนก็้า จ, จะรู้ ทันอารมณ์ได้ตรงๆก็ได้นะแต่อาจแต่ไม่ใช่ว่าการแบบพยายามค้นหาหรือหรือว่าเฝ้ามองน ะ, นะการรู้ทันอารมณ์หรือความคิดเนี่ยไม่ใช่เป็นการคอยจ้องดูหรือว่าคอยดักดูนะแต่มันเกิดขึ้นก่อนเมื่อเกิดขึ้นแล้วค่อยมีสติตามรู้นะการรู้ทันสิ่งที่เป็นนามธรรมนะนามธรรมก็เป็นสิ่งที่เป็นส่วนของ จิตใจเนี่ยเนาะมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ไดเ้เช่นมันหลงไปคิดก่อนตัวสติที่เป็นตัวรู้มันค่อยตามมารู้ทันอีกทีหนึ่งหลงไปโกรธก่อนค่อยรู้ตัวว่าโกรธหลงไปกังวลก่อนค่อยรู้ตัวว่ากางังวลนั้นการรู้ทันนามธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยเราเนย เรารู้ทันเวลามันเผลอออกมานะเผลอออกมาแล้วค่อยรู้ตัวเผลอออกมาแล้วค่อยรู้ตัวนะอย่าไปแบบไปดักดนะูหรือว่าอย่าไปค้นดูนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นการเพ่งจ้องนะหรือว่าประคองนะนี่คือการรู้ทันสิ่ง น, นี้เป็นนามธรรมเนาะบางคนอาจจะดูแบบนี้ก็ได้นะรู้อารมณ์ซิมันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเดีนะ๋ยวเราสังเกตุไหมเวลาเราสวดมนต์ทำวัดเนี่ย นอกจากเราสวดมนต์แล้วบางทีมันก็มีความรู้สึกต่างๆนะในขณะที่สวดนะแตกต่างกันนะบางทีก็สวดด้วยศรัทธาด้วยความสุขนะบางทีก็สวดแล้วก็เฉยๆธรรมดาหรือ บ, บางทีก็สวดไปก็กแบบไม่เห็นก็ทุกๆนะ์ๆเหนื่อยเหนื่อยกายหรือว่าบางทีก็เหนื่อยใจนะ นีก็ฟุ้งซ่านออกไปปากสวดมนต์แต่ใจฟุ้งซ่านเนี่ยนะเนี่ยก็เห็นนะขณะที่เราสวดมนต์นอกจากเราจะสวดปฏิสนเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วถ้าเราเห็ น, นความรู้สึกในใจที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เรียกว่าเห็นธรรมอย่างหนึ่งนะนะแต่ถ้าใจเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นเราก็จะสงสัยทําไมสวดแล้วจิตไม่เป็นสมาธิ ส่วนแด้ทำไมมันไม่สงบเนะี่ยส่วนแด้ทำไมมันมีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเนะี่ยความสงสัยเนี่ยแหละหรือว่าความไม่พอใจเนี่ยแหละนะมันทำให้เกิดความทุกข์ใจเนะี่ยแต่ถ้าเรามองดูสิมันนั้นนั่นแหละจิตเขาสอนความไม่เที่ยงเนะี่ยจิตเขาสอนความบังคับบัญชาไม่ได้นะถ้าเราดูไปนะดูด้วยใจที่เป็นกลางนะก็ เห็นมันอก็ถูกแล้วนะที่เขาแสดงแบบนั้นเราไปคิดอยากให้มันเที่ยงนี่แหละมันผิดธรรมชาตินคิดอยากให้มันดีตลอดนี่แหละมันผิดธรรมชาติคิดอยากจะบังคับให้มันไม่ฟุ้งซ่านนี่แหละมันผิดธรรมชาตินเราไปทําผิดกฎของไตรลักษณ์อยากจะไปบังคับเยสิ่งใดที่มันไม่เที่ยงบังคับให้มันเที่ยงสิ่งใดที่มันเป็นทุกข์บังคับให้มันเป็นสุข สิ่งใดที่มันเป็นสาภาวะเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ยิ่งอยากจะบังคับให้มันคาดการได้หรือว่าสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลงจิตที่คิดหรือว่าเออ่มีเป้าแบบนี้แหละมันเป็นจิตที่ทุกเนาะเออเพราะมันฝืนไม่ได้หรอกนะเหมือนเราจะฝืนร่างกายให้ไม่แก่ให้ไม่เจ็บให้ไม่ตายเนะี่ยมันฝืนไม่ได้นะเราฝืนเนี่ ยิ่งฝืนก็ยิ่งรู้สึกทุกข์นะพระร่างกายก็ต้องแก่ทุกวันเจ็บทุกวันนะไปถึงว่าค่อยๆเสื่อมไปทุกวันแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องตายไปนะธรรมชาติของจิตใจก็เหมือนกันเราไม่สามารถที่จะฝืนกดของไจรักได้นะบางคั้งที่จริงก็ร่างกายก็ฝืนไม่ได้เหมือนกันนะั่นแหละแต่สติปัญญาเนี่ยจะทำให้เรารู้ทันนะรู้ทันแล้วเออมันปรุงแต่ง ก็ใช่ของมันนะแต่เราไม่ปรุงกับมันต่อนะมันคิดขึ้นมานะเรียกว่าเราไม่ตามความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดนะการรู้ทันการมีสติรู้ทันนา ม, มารำที่เกิดขึ้นในใจนะไม่ห้ามแล้วก็ไม่ตามนะทําง่ายๆนะดักง่ายๆนะแต่มันก็มันอยู่ที่ส ต, ติจะตั้งมั่นไหมสมาธิจะมั่นคงไหมใหนะม่ๆ ม, มันก็จะเผลอตามนะ หรือบางอารมณ์ที่มันไม่พอใจมันก็จะชอบไปห้ามนะแต่หน้าที่เราก็คอยรู้ทันมันรู้ทันแล้วก็ละนะละกันห้ามหรือละกันตามไปกับมันนั่นแหละเนาะคอยรู้ทันมันเนะหลงไปแล้วเนะกลับมารู้ตัวหลงไปแล้วกลับมารู้ตัวทำแบบนี้บ่อยๆนะจิตมันก็จะนะมันก็จะหลงไปสั้นลงเนะ หรือว่าบางอารมณ์มันก็ละได้เร็วละได้เร็วเนะี่ยแล้วก็หรือว่ามันก็ถ้าจิตมันเป็นผู้ดูออกมาเด่นขึ้นมาเนะี่ยมันก็จะเห็นว่าอารมณ์ก็ส่วนหนึ่งนะเหมือนกับสวะที่ลอยอยู่อยู่บนแม่น้ำเนาะเราอยู่บนฝั่งนะก็เห็นสวะก็ลอยไปลนะอยมานะมันก็เราไม่ต้องไปเกือบกลัวไม่ต้องไป ยุ่งอแต่กับเพาก็ดูไปแบบนั้นนะแต่ใหม่ๆก็ลงไปก่อนลงแล้วก็รู้ลงแล้วก็รู้งลงแล้วก็รู้นะส่วนสิ่งหนึ่งนะถ้าบางคนยังยังทาไม่ได้แบบนั้นก็ไม่เป็นไรนะก็ให้มีสตดิดูกายเป็นหลักนะกายเคลื่อนไหวใจรับรู้นะกายทำอะไรนะใจก็คอยรู้สึกไปด้วยนะ ก็รู้สึกไปแบบสบายๆนะแต่ก็อย่าไปจมกับกับการเพ่งจ่องหรือว่าไปจดจ้องดูอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนะให้เรารู้ตัวแบบสบายๆนะรู้แบบเล่นๆนะรู้เหมือนดูคนอื่นนะดูร่างกายที่เราสมมติเรียกว่าตัวเราเองนะเนาะแต่ดูเหมือนดูคนอื่นนะเราเราเคย ส่วนใหญ่ความคิดมันก็จะคิดว่ามันร่างกายของเราเนาะหรือบางทีเราสังเกตไหม mm hmm. เวลาเราเราเรียกชื่อเรียกชื่อร่างกายเนี่ยส่วนใหเราก็เรียกชื่อเป็นชื่อเราเอาชื่อชื่อเล่นชื่อจริงของเรามาเป็นตัวแทนร่างกายนี้นะมันก็มันส่วนหนึ่งก็คือสมมุติที่เราจําเป็นต้องเรียกแบบนั้น แต่ส่วนหนึ่งมันก็คอยทําให้จิตใจนี้มันกออ็คิดว่ามันเป็นเราจริงๆอยู่นี้นะเนาะแต่พอเราปฏิบัติทาให้เราลองดูมันนะดูมันเหมือนเหมือนดูคนอื่นนะดูคนอื่นเขาเดินดูคนอื่นเขานั่งดูคนอื่นเขานอนนะดูคนอื่นเขาเจ็บปวดเมื่อยนะดูคนอื่นเขาร้อนเขานาเขาหิ้วอะไรนะลองดูมันแบบ อย่าเอาความเป็นเราไปผูกพันกับมันเนาะเมื่อไรที่เราคิดว่ามันเป็นเรารู้สึกมันเป็นเรานะแสดงว่าหลงไปแล้วเนะี่ยสติถ้าดูเฉยๆเนี่ยมันจะมันจะสักแต่ว่าเนะ่สักแต่ว่าสับแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้สึกเนยะสักแต่ว่าการรับรู้สภาวะต่างๆนะ่ะมันก็ไม่ปรุงต่อมันก็แค่รู้สึกเฉยๆเนะ่ะที่จริงแหละส่วนใหญ่ เราก็รู้สึกเฉยเฉยเยแล้วแะแต่พอมันไม่ทันมันนะมันก็เลยพอรู้สึกเฉยจังหวะแรกนะมันก็เกิดมาชอบหรือว่าชังนะตามมาพอเราไม่ทันมันเนาะมันก็จะไปชอบชังแล้วก็ไปปรุงแต่งอีกสารพัดมากมายแต่ให้เรารู้แบบสบายๆบายรู้แบบเล่นๆนะดูมันไปเรื่อยๆดูการเคลื่อนไหวดูการหยุดนิ่งจะทำอะไรก็ดูมัน ให้เราทำแบบเป็นเรียกว่าเป็นนักภาวนามืออาชีพเนาะมืออาชีพก็คือทุกอุปยาบททุกการเคลื่อนไหวทุกสภาวะนะไม่ว่าจะในวัดหรือนอกวัดนะเหมือนมืออาชีพสักหน่อยก็คือทำเป็นประจำนะทำเป็นประจำทำ บ, บนะ่อยๆไม่ใช่เหมือนมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นเหมือนคล้ายๆ วันนี้ขยันตอนนี้ขยันก็ทำตอนนี้ขี้เกียจก็ไม่ทำเลยนะเหมือนทุาเปรเียบเทียดเหมือนเนือนักกีฬาเห่า น, นี้นะอย่างบางคนชอบกีฬาอะไรก็แล้วแตนะ่ก็วันไหนอยากจะวันไหนว่างวันไหนอยากจะเล่นก็ไปเล่นกีฬานั้นนะวันไหนไม่ว่างวันไหนไม่สนใจก็ก็ไม่เล่นนะก็เล่นเป็นการออกกำลังกายช่วงพังช่วงกาว แต่ถ้าเป็นพวกนักกีฬามืออาชีพเนี่ยเขาซ้อมทุกวันนะถึงเวลาแข่งก็แข่งนะซ้อมทุกวันไม่ให้ขาดนะจะนักกีฬาอะไรก็แล้วแต่นถ้าทําเป็นกิจวัตรประจําวันเป็นแบบมืออาชีพเนี่ยก็จะซ้อม บ, บ่อยๆแล้วก็ดูแล ร, ร่างกายตัวเอง บ, บ่อยๆนะศึกษาพัฒนาไปเรื่อยๆแต่นักกีฬาอาชีพ เ, เขาก็เอาความสํเาเร็จเอาเหรียญทองเอาเงินรางวัลเป็น เป็นเป้าหมายเนาะแต่เราถ้าเราเป็นนักภาวนามืออาชีพเนี่ยเป้าหมายของเราที่จะได้คือเนี่ยความพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงซึ่งมันไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนไม่ต้องกลับมาเจอกับสภาวะความทุกข์ต่างๆอีกเนี่ยจิตมันพ้นตรงนั้นมันดีกว่าเนี่ยดีกว่าเนี่ย การที่ได้แค่สิ่งของภายนอกเยอะแยะมากมายนะแต่มันก็ยังจมอยู่ในความทุกข์ใจอยู่นี่ถ้าเรานี่ลองทำตัวนะให้เป็นเหมือนนักภาวนามืออาชีพนะไม่ว่าจะอยู่ในสถ า, านการณ์ไหนนะจะเจออารมณ์ไหนอย่าทิ้งการภาวนาเนาะการภาวนาคือการกลับมาดูกายดูใจนี่แหล ะ, ะกลับมารู้ทันกลับมาเห็นนกลับมา หาความเป็นปกติของของธรรมที่มันมีอยู่แล้วนี่แหละนะเราทําบบนี้บ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นวันไหนขี้เกียจวันไหนขยันก็ทำไปวันไหนมีงานเยอะวันไหนมีงานน้อยก็ทำเหมือนกันน่แหละนะอย่าอย่าหาข้ออ้างนะถ้าถ้ารู้สึกว่ามีข้ออ้างในจิตเนี่ยแสลงว่าให้เรารู้ทันเลยว่าไอ้ข้ออ้างเนี่ย กิเลสเขา อ, อ้างมานะาาหนาวไปเนาะวันนี้หนาวไปพักผ่อนดีกว่ า, าวันนี้ร้อนไปพักผ่อนดีกว่ า, าวันนี้ฝนตกพักผ่อนดีกว่าเอานะเอแบบนี้ข้ออ้างมันจะมีมานะวันนี้งานเยอะอทำงานทำแต่ ง, งานดีกว่าไม่ต้องเอาใจหลับคือ บาทีกิเลสมันจะมีข้ออ้างเยอะนะะให้เราค่อยคอยทันมันเลยนะถ้าเราเป็นนักภาวนามเมื่อชีวจริงๆก็ทุกสถานการณ์เนี่ย น, นะก็ตามรู้ตามดูไปนะอย่าทิ้งอย่าทิ้งกายอย่าทิ้งใจนะเพราะว่าปัญญาจริงจริงก็อยู่ในกายในใจนี่แหละถ้าเราไม่ทิ้งเราค่อยห ม, มั่นศึกษาเราคอยหมั่นดูอยู่บ่อยบ่อยนี่นแหละมันก็จะ ค, อ ค, อค่อยๆเกิดการพัฒนานะ พัฒนาอะไรนะพัฒนาสติให้มันให้มันรู้ตัวเร็วขึ้นนะให้มันระลึกได้บ่อยขึ้นนี่คือพัฒนาพัฒนาตัวสมาธนะิสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นขึ้นมั่นคงขึ้นนะวันไหวน้อยลงนะอันนี้คือสมาธิคือแบบนั้นนะพัฒนาตัวปัญญาก็คือเข้าใจความจริงนะ เข้าใจความจริงของร่างกายของจิตใจเนี่ยแหละอความจริงแท้จริงมันเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็จะเกิดความเข้าใจศิ้นมันก็จะมีนะศิ้นก็จะมีนะศิ้นมันก็จะรักษาได้ง่ายง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันจะเห็นว่าอ๋อเมื่อรักษาสิ้นแล้วใจก็เป็นปกติเนะี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดสติสมาธิปัญญาดีขึ้นนะมันก็จะเห็นคุณค่าของการรักษาศิ้น ศีก็รักษากายวาจาใจเป็นไปในตัวด้วยเนี่ยมันก็จะค่อยๆพัฒนาเราก็จะเห็นว่าการมีชีวิตอยู่มันก็ทุกน้อยลงเนาะทุกน้อยลงเนะี่ยทุกบางลงเนยะทุกเบาลงเนะี่ยทุกอย่างเลยนะแต่ก่อนเคยโกรธง่ายโกรธมากก็โกรธก็โกรธยากขึ้นหรือว่านะโกรธเบาลงแบบนี้นะครับ เคยหลงมากอยากมากเยมันก็ลดดงเน่ยหรือถ้าบางอย่างมันยังไม่ลดเราก็ละมันได้เร็วขึ้นนะอาจจะมีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจเกิดขึ้นบ่อยแต่เราก็ละมันได้บ่อยเนี่ยมีความอยากนั้นอยากนี่เยอะมากมายแต่เราก็ทันมันได้เร็วเหมือนแต่ก่อนไม่เคยเห็นไม่เคยทันมันต่อไปก็เห็นแล้วก็ทันมันได้เยอะขึ้นเยอะนี่คือภาวนาไปแล้วมันก็จะเห็นนะ เป็นความเปลี่ยนแปลงนะในจิตในใจของเราเองนะหรือว่าเห็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นไวมากนะแต่เห็นแล้วกิเลสก็ทำอะไรไม่ได้นะมันก็เบาลงเหมือนมาก็ชอบที่หลวงพ่อท่านเปรียบเทียบนะท่านบอกเหมือนเราอยู่ในมุ้งนะนะนั่งหรือนอนก็แล้วแต่นะก็มียุงมาบินรอบรอบมุ้งของเราเนะีนะ่ย ยุงมันก็เข้ามาในมุ้งไม่ได้มันก็มากัดมาทำร้ายเราที่อยู่ในมุ้งไม่ได้นะสติสัมปจัญญาก็เหมือนมุ้งที่คอยคุ้มครองใจเนาะให้ไม่ทุกข์ให้ไม่ไม่ปรุงแต่งนะกิเลสก็เหมือนกับยุงนะมันบินเข้ามาไม่ได้นะมันก็เหมือนมีความสุขนะเป็นความสุขที่เกิดจากการรู้ทันนะนะรู้ทันกิเลสเป็นความสุขที่เกิดจากการเห็นนะ เห็นความจริงนะไม่ใช่ความสุขแบบทางโลกที่สนุกสนานหรือว่าสุขเพราะพอใจนะในสิ่งที่ที่ได้รับอะไรแบบนะีนะ้แต่เป็นความสุขที่เกิดจากการเห็นนะเห็นความจริงนะของพระอริยะเจ้าเนี่ยนะมันก็จะเป็นความสุขที่ที่เป็นเครื่องรอหรอเลียนจิตใจของเราเนาะก็ให้พวกเราได้ เป็นนักภาวนาเนาะมืออาชีพสักหน่อย <c oughs> อย่าเป็นแค่นักภาวนาหมืสมัครเล่นนะขี้เกียจก็ทาเออขี้เกียจก็พักขยันก็ทำนะหรือว่าอารมณ์ดีก็ทำอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทำเราลองทำเป็นนิสัยนะทำเป็นประจำนะ <c oughs> มันก็จะเกิดผลที่มันชัดเจนขึ้นนะเพราะว่าความขยันความเพียร น, นนะี่แหละที่เราทำเป็นประจำนะการพากัน